ข้อความในจริยาปีดกต่อจากครั้งที่แล้วในมาขึ้นปัญหาที่6เนีนะป็นการตั้งปัญหากรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบา ร, รมีอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งปัญหาข้อที่1นที่กล่าวไปแล้วก็คือบา ร, รมีคืออะไรบา ร, รมีก็คือบา ร, รมี10นั่นแหละบา ร, รมีก็คือคุณธรรมก็คือคุณธรรม10ประการ<อ>ที่เกิดจาก การุณาเนี่ยนะที่เกิดจากการุณาการุณานี้เป็นเหตุให้ถึงความเป็นผู้ฉลาดคนคว้าในการพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้เป็นการเจริญคุณธรรมโดยที่ไม่ถูกตันหามานะทิฐิฉาบทาได้ส่วนความหมายของบา ร, รมีก็คือการกระทำของพระโพธิสัตว์ที่ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อบรุมรุผลนิพพาน เพื่อที่จะช่วยหรือขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตถุทุกส่วนบา ร, รมีทั้งหมดมีสิประการก็คือทานศีลเป็นต้นโดยย่อถ้าจำแนกอย่างละเอียดก็เป็นอุป ป, รปารมี10บปรมาภิปรมีสิรวมเป็นบา ร, รมี30แต่ถ้ากระจายรายละเอียดจำนวนครั้งจำนวนพฤติกรรมที่กระทำออกไปก็มากมายส่วนลำดับของบา ร, รมีเนี่ยนะก็ยกทานเป็นอันดับที่ หศีนเป็นลำดับที่สองเป็นต้นอันนี้เป็นลำดับแห่งการแสดงแล้วก็ลำดับแห่งการพิจารณาค้นคว้าส่วนปัญหาที่5ปัญหาที่5ถามว่าอะไรเป็นลักษณะที่จตุกะของบารมีส่วนมาเคลืนปัญหาที่6ว่าอะไรคือปัจจัยของบารมีคือทําไมท่านต้องสร้างบารมีอะไรเป็นเหตุกระตุ้นให้สร้างบารมี บอกว่าอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีอภินิหารนั้นก็คือมูลปณิธานอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว์ตั้งหลายให้พ้นจากทุกข์อภินิหารนี่แหละคือตัวที่เป็นเหตุตัวที่เป็นปัจจัยให้บำเพ็ญบารมีถ้าตั้งคําถามว่าอภินิหารนี่จะต้องอาศัยองค์ประชุมเท่าไหร่จึงสําเร็จเป็นอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาได้ บอกว่าอภินิหารเนี่ยต้องสมโุทานธรรมะ8ประการคือการประชุมธรรมะ8ประการอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภินิหารคือมูลปณิธานหรือความปรารถนาย่อมสําเร็จเพราะธรรมะสมุทานคือการประชุมธรรมะ8ประการมนุษย์ตั้งเล็งคสัมปะเตเหตุโสัธารัตสนังปปัชาคุณสัมปติอธิการุจฉันทตาเนี่ยนะก็คือความเป็นมนุษย์ เรียกว่าคนที่จะตั้งความปรารถนาสําเร็จเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ประชุม8ประการก่อนคือประชุมความเป็นมนุษย์เป็นเพศชายนะมีเหตุเห็นพระศาสดาการบรรประชาคุณสมบัติอธิการและความพอใจซึ่งจะกล่าวโดยลําดับเพราะะฉนเอกความปรารถนาหรือที่เรียกว่าอภินิหารอภินิหารเนี่ยเป็นอย่างไรอภินิหารก็คือการตั้งความปรารถนาหรือความตั้งใจอันแน่วแน่ หรือการนำไปอย่างแน่วแน่ว่าเราข้ามแล้วจะพึงให้เราสัตว์เนี่ยข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็พึงให้สัตว์อื่นนี่พ้นด้วยเราฝึกแล้วก็ยังให้สัตว์อื่นนั้นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็ให้สัตว์อื่นนี่สงบด้วยเราคล่องใจเราเบาใจแล้วก็ยังสัตว์อื่นให้คล่องใจให้เบาใจด้วยเรานิพานแล้วก็จะเพึงให้สัตว์อื่นนิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้ว ก็เพิ่งให้สัตว์อื่นนี่บริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วเพึ่งให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยหรือให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยซึ่งทั่วไปนั้นจะได้ยินว่าตินโนตารรยังเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยมุตโตโมเจยังเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยกับพุทโธโพเทยังเราตรัสรู้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามพุทโธโพเยังเนี่ย น, นะ แปลว่าตินโนตารยังมุตโตโมเจยังน่นะเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นาะอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาอย่างนี้นี่นะเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งปวงโดยไม่แตกต่างกันเพราะไม่มีความตั้งใจอันนี้เสียแล้วการสร้างบารมีนั้นก็คงไม่ทาไม่รู้จะทาไปทาไมนะไม่รู้จะภาคเพียรพยายามไปทาไม แต่เนื่องจากว่าความตั้งใจที่จะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามด้วยตั้งใจจะให้สัตว์ทั้งหลายฝึกตั้งใจที่จะให้สัพสัต t นั้นได้สงบได้หายใจคล่องได้ปรินิพานให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์ให้สัตว์อื่นตรัสรู้เนี่ยนะไอ้ความตั้งใจอันนั้นเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่มากเป็นความตั้งใจที่เรียกว่าอภินิหารอะ่างเงี้ยนะเป็นภาษาไทยไทยก็เลย อ, อภินิหารก็ถือว่าเป็นใช้คําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพิเศษมากอภินิหารนี่แหละคือปัจจัยของบารมีเนี่ยนะเพราะอภินิหารนี่แหละเป็นเหตุให้สําเร็จการคนา้นคว้าถ้าหาว่าไม่มีอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาแบบนี้จะคน้นคว้าจะตั้งมั่นจะสมาทานบารมีให้สูงขึ้นไปมีไม่ได้แต่เนื่องจากมีความปรารถนา มีความปรารถนาที่จะทําให้ตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยผู้อื่นตรัสรู้นั้นน่ะทำให้เกิดการค้นคว้าการตั้งใจมั่นการสมาทานประพฤติบารมีให้สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอภินิหารนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีนี่มาดูว่าธรรมะ8ประการนะธรรมะสโมโุทานหรือการประชมธรรมะ8ประการที่ทําให้เกิด ความปรารถนาได้สําเร็จมีอะไรบ้างข้อแรกก็มนุสตังมนุสตังนั้นคืออัตภาพของมนุษย์เพราะความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์เท่านั้นจึงจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จถ้าไม่เป็นมนุษย์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่สําเร็จเช่นถ้าไปเกิดเป็นนาคเกิดเป็นครุฑเกิดเป็นสัตว์ในภพอื่นก็ปรารถนาไม่สําเร็จทําไมล่ะ เพราะเหตุไรเพราะไม่สมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเพศของมนุษย์ไม่ได้ตรัสรู้ในเพศของนาคครุฑหรือเทวดาพรหมแต่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกที่จะได้รับการพยากรณ์นั้นต้องชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างข้อที่สองลิงค่ะสัมปัติลิงค่านี้แปลว่าเพศ ถึงพร้อมด้วยเพศนั่นแหละบอกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์แล้วก็ตั้งความปรารถนาความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่บุรุษหมายว่าเป็นมนุษย์และต้องเป็นผู้ชายด้วยผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ชายพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สตรีเป็นต้นก็เนื่องจากว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ชายมันความปรารถนาของหญิง ไม่สําเร็จบรรเดาะก็ไม่สําเร็จกระเทยณนะปุงสกะคนไม่มีเพศอุปโตพยัญชนะคนสองเพศบุคคลเหล่านี้ก็ตั้งความปรารถนาไม่สําเร็จเพราะเหตไรถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเหตุตามที่ได้กล่าวแลว้วเพราะไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะคือไม่มีมหาบุริศลักษณะนะคนเพศอื่นๆเนี่ยไม่มีมหาบุริศลักษณะผู้หญิงไม่มีมหาบุริศลักษณะบรรเดาะเป็นต้นไม่มี มหาบุริศลักษณะเพรา ะ, ะบุรุษเท่านั้นจึงมีมหาบุริศลักษณะพอที่จะรองรับพระพุทธคุณได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันการที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้คือปฏิเสธปัจจัยว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่สามารถปรารถนาสําเร็จเพรา ะ, ะถ้าหากว่า ผู้หญิงอยากเป็นพระพุทธเจ้าบอกง่ายมากไปตั้งความปรารถนาให้เป็นผู้ชายเสียก่อนแล้วค่อยๆตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนตั้งความปรารถนานั้นจะต้องเป็นผู้ชายเนี่ยนะทีนี้เป็นผู้ชายแล้วก็โอโ้ชายอกสามศอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะสำเร็จไหมบอกว่าต้องมีเหตุนะเหตุเหตุต้องมีเหตุในเหตุนี่สาคัญ เหตุก็คือถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยคืออรหัน ต, ตผลหมายคาะว่าความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่มนุษย์บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเหตุสมบัติคือเป็นคนที่สร้างสมบูรณ์มาพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ามีคุณธรรมพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ความปรารถนาของผู้นั้นสําเร็จเหมือนกับอะไรนะมันต้องมีทุนเก่ามาสูงมากๆเลยจริงจะลงทุนเป็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าไม่มีทุนคือบุญเก่ามาเพียงพอเนี่ยนะเอาอะไรมาลงทุนเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้ากระวบต้องมีต้นทุนจึงจะมาลงทุนสําเร็จมาเงินทีนี้ถามว่ามีทุนเดิมพอที่จะตรัสรู้ได้แล้วต้องมีอะไรอีกศรัทธารทัศนังทัศนะการเห็นศรัทธา ก, ก็คือภาษาสดาจะต้องมีกระวบอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ แล้วตัวเองเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าเพราะความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วความปรารถนาไม่สําเร็จถ้าถ้าตั้งความปรารถนาไปตั้งความปรารถนาต่อหน้าองค์พระเจดีย์ไปตั้งความปร า, นนา ร, ารถนาที่ต้นโพ์ที่พระพุทธรูปหรือที่สํานักของพระประเจก ры, พ, เจพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็ไม่สําเร็จ เพราะอะไรเพราะไม่มีอธิการคือวิสัยที่มีกำลังยิ่ง <Because S 1> เพราะไม่มีการสละชีวิตแก่พระพุทธเจ้ามันจะต้องมีการสละชีวิตทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าสละชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จนั้นจะต้องอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่สาเร็จ เพราะ น, นความปรารถนาจะสําเร็จเฉพาะผู้ที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์พันอธิการคือการทํากุศลจึงจะมีกําลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะทีนี้ต้องอยู่ในเพศไหนปรป ะ, ะชาปรป ะ, ะชาความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้นั้นอาจจะบวชอยู่ในสํานักดาบวหรือบวชในสํานักของพิสุทั้งหลายก็ได้ ถ้าเป็นดาบทเป็นฤษีต้องเป็นกรรมกิริยาวาทีเป็นผู้ที่มีกรรมสักดีเชื่อในข้อปฏิบัตินนเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมถ้าไม่ใช่นักบวชตั้งความปรารถนาไม่สําเร็จเพศที่เป็นครืดหัดเนี่ยตั้งความปรารถนาไม่สําเร็จเพราะเหตุไรเพราะไม่สมควรแก่จะไม่ไม่ใช่เพศของพระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนปรารถนาต้องตั้งอยู่ในเพศของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเพราะบรณฑปชิตเท่านั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้แม้แต่ชาติสุดท้ายที่พระองค์จับรรลุต้องบรรลุด้วยเพศของนักบวชไม่ใช่บรรลุด้วยเพศของฆราวาสเพราะฉะนั้นเวลาตั้งความปรารถนาควร ต, ตั้งตอนเพศเป็นนักบวชคือเป็นบนรณฑปชิตเงื่อนไขยเยอะเหลือเกินเนี่ยนะ ตั้งความปรารถนาก็ตั้งยากอยู่แล้วหมาจะให้ใครคิดตั้งความปรารถนาหมาก็คิดยากยากนี่ยังมีเงื่อนไขเต็ไมไปหมดมีหน้าแล้พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลอัจฉริยะบุคคลเราบุคล ค, บคลที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแค่ครั้งคราวเพราะว่าองค์ประกอบที่ที่เรียกว่าองค์ประกอบที่จะให้ตั้งความปรารถนาก็ยังยากจะกล่าวไปใยัยถึงการสร้างบา ร, รมีเท่าไนต่อไปคุณสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบั ต, มบติมีอะไรบ้าง เมือนอรนะใครที่จะสมัครซสก็ต้องมีคุณสมบัติใช่จิงจะสมัครได้นี่ก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอภิน ญ, ญาห้าสมาบัติ8แล้วก็บรนประชิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็เอาโอเคใช่ได้ไม่ต้องมีคุณสมบัติคือสมาบัติ8และอภิน ญ, ญาห้าใครที่ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้หมดสิทธิ์นะกันหมดสิทธิ์ทำไมล่ะก็เพราะว่า ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติคื อ, อียิญญาห้าสมาบัติ8ค้นคว้าบารมีไม่ได้ส่วนผู้ที่มีอภิญญาห้าสมาบัติ8สามารถค้นคว้าพิจารณาตรวจตราบารมีได้พระมหาบุรุษบำเพ็ญอภินิหารคือผู้ที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้สามารถค้นคว้าบารมีได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่มีคนอื่นมาแนะนะําว่าถ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องไปทําอย่งงางนั้นอย่งางนั้นอย่งางนั้นคอยให้คนอื่นสอนบอกไม่ต้องคิดเองคิดเองรู้เองทําเองตั้งแต่แรกเลยตอนแรกเนี่ยค้นคว้าบา ร, รมีด้วยตัวเองที่ทําได้ก็เพราะตัวเองนั้นมีอุปนิสัยสั่งสมอุปนิสัยมาเพราะตั้งความปรารถนาด้วยใจตั้งความปรารถนาด้วยกายและวาจามาสิบหกอสงไขยแล้วเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี้ยกาลังคืออภิน ญ, ญาห้าประการช่วย อภิน ญ, ญา5คือระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยเป็นตัวช่วยให้คน้นคว้าพิจารณาบารมีทั้ง10ประการได้เนี่ยนะฉนั้นคุณสมบัติจึงสําคัญมากคุณสมบัติคืออภิน ญ, ญาหสมาบัติ8ถ้าไม่มีคุณสมบัติก็ก็ อ, กอะไรนะต้องมีคุณสมบัติจึงแกเรียนเรียนวิชาว่าด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จถ้าไม่มีคุณสมบัติก็โอ้โโลงเรียนแล้วไม่จบเหมือนกันอาจจะลงเยอะนะแต่ว่าไม่แทบไม่จบเหมือนกัน นี่ต่อไปอธิการที่สำคัญมากก็คือตัวที่มีอุปการะสำคัญมากก็ต้องมีอธิการอธิการนี่โดยสัพท์แปลว่าทำยิ่งทำมากทำแค่ไหนว่างั้นสละชีวิตว่างั้นผู้ใดถึงพร้อมด้วยคุณนะสมบัติคือพิญญาหสมาบัติแแล้วเนี่ยนะแม้ชีวิตของตนก็สละถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ย่อมทำอุปการะอันยิ่งในการละนั้น น, นนะ สร้างเหตุพอ ท, ที่จะให้ตั้งความปรารถนาะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชานี้ต้องลงทุนด้วยชีวิตของงั้นต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาก่อนอาจหมายเขาว่าตั้งใจสละแต่ตายไม่ตายไม่สําคัญแต่ว่าตั้งใจสละหรือว่าพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วสละชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงจะปรารถนาสําเร็จ ถ้าไม่สละชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าความปรารถนาไม่สำเร็จข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากนะจริงๆไอ้บรรดาเจข้อที่ผ่านมาก็ยังถือว่ามีความลึกซึ้งกว้างขวางแต่ข้อที่8ดเนี่ยนะฉันทะตานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อสุดท้ายจะต้องมีความพอใจด้วยกตตกรร ม, มยตาฉันทะมีมีกุศลเจตนาที่ยินดีจะทาจริงๆ เป็นกุศลเป็นศรัทธาที่ที่เรียกว่าฉั้นท่าเนี่ยอธิบายอีกในหนึ่งเรียกว่าศรัทธานั่นเองมีศรัทธาที่ตั้งมั่นมีความปรารถนาที่แรงกล้าผานใครที่สละชีวิตอุทิศแก่พระพุทธเจ้าดังกล่าวไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าความปรารถนาก็เรีกว่าความปรารถนาหรือความพอใจมากมีความปรารถนามากมีความใครเพื่อจะทํามากต้องการทําจริงๆต้องการเพื่อประโยชน์ ในการประพฤติป ฏ, ฏิบัติคุณธรรมเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้ามีใจรักในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีความเต็ม อ, อกเต็มใจที่จะเจริญคุณธรรมให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะแปลว่าพอใจที่จะสร้างกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ารักในความเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่ามีฉันทะและฉันทะนี่ก็ต้องมาหาฉันทะหรือฉันทะใหญ่มากไม่ใช่ฉันทะเล็กๆน้อยๆเลยนะ มาดูว่าฉันท่าที่ใหญ่นั้นนะนะเปรียบเทียบอุปมาทราบความที่ฉันท้าเป็นฉันท่าใหญ่หลวงดังต่อไปนี้ว่าบุคคลฟังมาว่ามีใครมาพูดว่าผู้ใดสามารถข้ามท้องจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันด้วยกําลังแขนของตนเท่านั้นแล้วจะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้า คนที่คนที่ปรารถนาพอเพื่อไปฟังอย่างนั้นก็บอกไม่มีความยอ่อท้อเพราะว่ามันทำยากไม่มีความรู้สึกว่าทำยากกลับพอใจว่าเรานี่แหละจะข้ามให้ถึงฝั่งได้เราจะาว่ายน้ำข้ามจักรวาลได้เหมือนกันไม่แสดงอาการทาหน้าเบ้หน้าเสยวก็คือหน้าเบ้เราฟังปับ๊บป๋าอนั่นนะคนก็เล่าว่าบอก แค่คิดเนี่ยผมก็จะป่วยแล้วเพราะ่างั้นจะว่าไปทำเลยว่างั้นแค่คิดจะทำนี่ผมก็แย่แล้วว่างั้นไม่ต้องว่าไปถึงไปปฏิบัติไปทําอะไรรอกว่างั้นเพราะว่าพูดถึงว่าผู้ใดสามารถข้ามห้องจักรวาล น, นี้ทั้งสิ้นอันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะน้ำเนี่ยท่วมไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วต้องไหว้ด้วยกำลังแขนด้วยนะห้ามใช้เรือห้ามใช้อะไรทั้งนั้นไหว้ด้วยกาลังแขน อาจจะแหม่ก็พอลงสิเมตรยี่เมตรแรกอาจจะแมไ้ไหวไวนะสามสี่สิบเมตรไปแล้วเริ่มล้าแล้วทีนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าคํานี้เนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าพระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านบําเพ็ญบารมีท่านไปไหว้น้ำจริงๆหรือบางทีก็จริงเช่นมหาชนกนี่ก็ไหวจริงละ่ะอันนี้อันหนึ่งแต่ว่าอีกที่สําคัญเนี่ยนะไอ้คำว่าห่วงน้ําในที่นี้เป็นชื่อของอะไร น, น้ําโอคาเนี่ยนะจะต้องไหว้ข้ามกามโมคะ ว่ายข้ามตันหาที่อยู่ในใจของตัวนี่แหละแมมมันว่ายข้ามยากเหมือนกันนะจะต้องไหายข้ามตันหาที่มีอยู่ในใจตนเพื่อสร้างบารมีสิบไอ้ตันหามันก็เกิดนะปัญหามันก็ท่วมทับนี่แหละแต่ว่าจะต้องให้ทานในท่ามกลางผู้มีตันหาจะต้องรักษาศีลในท่ามกลางผู้ที่มีตันหาแล้วตัวเองก็ยังไม่ใช่ว่าหมดตันหาเลยนะตัวเองก็ยังมีตันหาแต่ก็ต้องให้ทานในหมู่ชนที่ เต็มไปด้วยตันหาตัวเองยังมีตันหาก็ยังรักษาศีลมันขัดขวางต่อตันหาพันยังเหมือนกับว่ายน้ํำขํามันเหมือนกับว่ายน้ําข้ามตันหาอยู่สี่อสงไขยแสนกับว่ายสร้างบารมีนะไม่ใช่ว่าวายเป็ น, นในการสร้างบารมีเนี่ยแลอย่างหนึ่งก็ว่าว่ายข้ามน้ําตาน้ําตาน้ําตาว่ายข้ามทะเลน้ําตาของตัวเองอะไรเนี่ย ก็ถามว่าท่านไม่เสียอกเสียใจบ้างเลยหรือท่านไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลยหรือท่านก็น้ําตาท่วมนองเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าจะต้องสร้างบารมีทั้งน้ําตานองหน้านั่นแหละให้ทานทั้งน้ําตานองหน้ารักษาศีลทั้งน้ําตานองหน้าเจริญสมถาวิปัสสนาทั้งน้ําตานองหน้าท่านก็ไหว้น้ําข้ามน้ําตาของตัวเองเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะแต่ละชาติแต่ละชาติทัานน้าตามาสะสมมาเนี่ยไม่ใช่น้อย อันหนึ่งก็บอกว่าน้ําคือน้ําเลือดเหมือนกันนันจะต้องไหว้น้ําข้ามเลือดตัวเองไงนะจะต้องผ่านเลือดไปเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่นอกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องเอาอะไรนะไหว้น้ําข้ามตันหาทวนกระแสตันหาตัวเองตลอดรู้นะว่าจะต้องเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะจะต้องหลังน้ําตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นเท่าไหร่ เลือดที่ไหลออกมานี่เท่าไรพันกว่าจะปฏิพฤติปฏิบัติกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฟังอุปสรรคอย่างไรก็ท่านพูดมาเถอะอุปสรรคแต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคท่านว่างั้นไม่มองว่าเป็นอุปสรรคไม่มองว่าเป็นปัญหาเอาละตัญหาก็ตัญหาแต่ว่าจะข้ามตัญหาไปเอาละน้ำตาก็น้าตาก็จะสร้างบารมีทั้งน้าตาที่แหลมัน อาเนะี่ยจะเสียเลือดเสียเนือ้อจะสละเลือดสละเนือ้อเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมทําได้หมดนะนะไม่ต้องมาขู่ให้ยากว่างั้นนะนะสรุปว่าโอ้ใจถึงขนาดนั้นแต่พูดถึง เ, เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครัว่าพาไปกินเกลือก็ไปว่างั้นเอาคนนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดนั้นยังยังสละขนาดนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้นี่ดีกว่านั้นทําไมไม่ทําอ่ะนะทำไมทําไม่ได้เนี่ยนะ เคยเห็นไหมหนีจากที่หนึ่งไปตายเอาดาบหน้าเขาก็ยังทํากันเลยในชะ่ไหมนี่ก็เหมือนกันทำไมจะสละอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่สองต่อไปถ้ามีใครมาพูดให้ฟังว่าผู้ใดเหยียบจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งสิ้นจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงเป็นฐานล้นล้วนร้อนระอุแดงแดที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงเนี่ยนะหมายความว่าเป็นฐานที่ร้อนระอุเป็นสีสีไฟแต่ แต่ไม่มีไฟเปลวถ้ามีเปลวนะยังถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแดงอย่างนั้นะ่ะถ้ายังลุกเปลวมีวาบวา่บวบขึ้นอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันระ อ, อุแล้วก็แดงเป็นสีทองเลยอย่างนั้นน่นปราศจากควันนะนะเหยียบด้วยเท้าทั้งสองเลยนะเท้าทั้งสองเนี่ยสามารถเดินลยุอยอ่ะนะ เหยียบไปปั๊บเนี่ยพองระอุแทบจะละลายไล้วนะแล้วก็ก้าวเหยียบต่อไปเนี่ยเป็นคล้ายๆกับบรษย์อมตะใช่ไหมเหยียบยังเจ็บปวดยังเขาเรียกว่าเจบเ็บปวดเต็มที่เลย แ, ลแต่ก็ก้าวแต่ละก้าวเหยียบอย่างนั้นน่ะไปถ้าเดินข้ามจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงอย่างนี้ได้ถ้าทําได้อย่างนี้ก็ถ้ามีใจถึงเขาเรียกว่าใจถึงขนาดนี้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จเขาฟังแล้วก็บอกไม่ยออ่อท้อพอใจ ใจรักเต็มที่บอกว่าเรานี่แหละจะก้าวข้ามไม่ดูวมันไม่ทําอาการหน้าเบ้หน้าซิวไปหน้าเบ้เ บ, บีปากลุ้นตอนนั้มีโอ้ยินดีทําเหมือกันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าฟังคําพูดนี้บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยเถิดอะไรหรอกอุปมาอันนี้มันก็จริงถามว่าหนึ่งกับเนี่ยหนึ่งกับนี่ต้องเกิดเท่าไหร่หนึ่งกับเนี่ย กระดูกเนี่ยนะกระดูกเฉยๆนะชาติที่มีกระดูกไอชาติที่ไม่มีกระดูกทิ้งไว้ชาติที่มีกระดูกอย่างเดียว1กับเนี่ยใหญ่เท่ากับเขาเวพุรามันบททีนี้ว่าอสงไข่เนี่ยมันตัวเลขเลข0ูนยตัวเนี่ยนะจะถามว่ามันเท่าไหร่แล้วแล้วสอสงไข่แสนกับ8อสงไข่แสนกับ16อสงไข่แสนกับเนี่ยนะ อั น, นันอนะคือชาราชาชาราและมรณะไฟคือชาติชารามรณะเผาตลอดเวลาทีนี้ท่ามกลางความเกิดความแก่ความตายโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะเสียเลือดเสียเนือ้อเสียน้ําตาตายเกิดตายเกิดเนี่ยนะกระดูกกองท่วมใหญ่โตเนี่ยถามว่าไฟคือราคา่าไฟคือโทสะไฟคือโมหะจะเผาขนาดไหนเพราะว่า เงื่อนไขว่าคนที่จะเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นต้องไม่เห็นยังไม่เห็นอริยสัจแต่เข้าใจอริยสัจแต่ไม่เห็นอริยสัจเข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงแต่ไม่บรรลุอริยสัจยังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องการตรัสรู้มีศรัทธาในอริยสัจแต่เกิดมาท่านไม่เคยเห็นอริยสัจแต่ท่านเข้าใจในหลักการของอริยสัจ พรถ้าท่านเห็นอริยสัตว์มันชาติไม่เกินเจชาติใช่ไหมพันจะต้องไม่เห็นอริยสัตว์เมือ่อปิดตาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เหมือนกับถูกติดตาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ถูกไฟคือชาติชรา ม, มรณาโสกกะปริเทวะทุกโทมรัสอุปายาตเผาส้อนระอุปไปทุกภพทุกชาติแล้วถามว่าท่านอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสุภาพนิมิตเรียกว่า อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคลืองอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหล ง, ลงเต็มมากมายแล้วท่านยังสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับว่าท่านศึกษาความเป็นปุถุชนทุกประเภทเรียกว่าโรงเรียนโรงเรียนทุกประเภทเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่ยังไงอะไรยังไงไปลงไปคลุกคลีแล้วไปวิจัยชีวิตของเขาช่วยเขาได้ยังไงจะไปช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยนะ ท่านก็เลยต้องทนทุกทรมานเจ็บปวดเพื่อใครนอะพู ด, พดมาว<ม>่าโอ้เพื่อสัตว์โลกที่ไม่ใช่เราใช่ไห ม, ไมไอย่าพาดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนะก็เพื่อเรานั่นแหละเดี๋ยวนะนี่ต่อไปทนนี่ถ้ามีใครเกิดเหมือนกับว่าพูดคุยกว่าโอ้ผู้ใดสา ม, มารถทะลุจั ก, กรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ไผ่หนาทึบรกรุงรังไปด้วยป่าน้ำและเถา ว, วัลย์แล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ ใครที่มีใจรักปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอย่างนี้นะบอกไม่ทําหน้าเบ้เลยบอกเรานี่แหละจะแหวกเรียกว่าจะแหวกพุ่มไผ่านาะทึบถ้าใครที่เคยรู้จักกอไผ่ดีเนี่ยจะเข้าใจเลยน ะ, ะไม่ใช่ว่าเดินบนยอดไผ่พาดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แต่แหวกโคนมัน น, นะแหวกโคนแบบต้องตัดล้อเอาทีละชิน้นทีละชิ้นค่อยๆออกแล้วแหวกกอไผ่เนี่ยนะในห้องจั ก, กรวาลทั้งสิน้นคือ ถ้าถ้าเอกโก้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นนะถ้าตัดโคนปั๊บลากได้เลยเช่นตัดไวนะ้ตัดไว้ตัดโคนปั๊บลากได้เลยแต่เอกไผ่เนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาออกทีละกิ่งเพราะมันเกี่ยวมันเกาะมันประสานกันมันต้องเอาทีละชิน้นเอาออกทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิน้นตัดไม่ดีนะมันดีดส่ตานะจะต้องตัดที่มันรค ก, กรุงรังอย่างเงี้ยนะทะลุที่เรียกว่าตัดเพื่อทะลุจักรวาลหรือว่าหรือถางรกชัดทั่วจักรวาล ถามว่าอันนี้อุปมาเหมือนอะไรอะไรโลกนี้มันรกชัดไปด้วยอะไรสารพัดมิจฉาทิฐิที่อยู่ในโลกเพราะอุปาทานขันห้าแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิอุปาทานที่มิจฉาทิฐิยึดครองมิจฉาทิฐิยึดถือในอุปาทานขันห้าเพราะท่า น, นแต่ต้องแวกว่าทวนกระแสของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาท่านให้ทานพวกมิจฉาทิฏฐิว่าทานมีผลไหม ท่านต้องให้ทานในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฏฐิบอกว่าทานไม่มีผลท่านต้องรักษาศีลในท่ามกลางมิจฉาทิฏฐิบอกว่ารักษาศีลไว้ทําไมท่านต้องเจริญสมถาวิปัสสนาในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฏฐิที่กําลังเพลดิดเพลินในวัตถุกรามเรื่องอำนาจกิเลสกรามนะนะท่านต้องอบรมปัญญาตลอดเวลาในท่ามกลางหมูสัตว์ที่เต็มไปด้วยโมหะท่านต้องภาคเพียรพยายาม เรียว่าแหวกวงล้อของมิจฉาทิฐิที่มันเกี่ยวมันรกมันชัดอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาสี่สงไข่แสนกับคนที่สนับสนุนท่านเนี่ยนะอ่านดูในชาดกมีกี่เรื่องไม่ค่อยมีการสนับสนุนเมื่อทําเสร็จแล้วเออดีจริงๆดีจริงๆตอนเสร็จนะไอตอนทําเนี่ยโอ้ตะทวงแหลกเลยนะเป็นพระเวสสันดรเนี่ยชาวบ้านตะทวงแหลกหมดไล่นี้ด้วยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ตะท้วงธรรมดาไล่นี้ด้วย ก็ใครก็พุทธสาวกในอนาคตน่นไร่ไ่อะนะจะช่วยเขาทแท้ๆยังถูกไล่ ก, กนาอะนะถูกไล่เพาะากช่วยเขาอะนะมันก็จะรู้ว่าดงของมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเนี่ยมันมากมายโดยเฉพาะทิฐิ62อเนี่ยนะไล่ไปทิฐิ62ที่ขวางต่อการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องแหวกดงแห่งมิจฉาทิฐิเกิดมาชาติใดที่ไม่ประสบเจอมิจฉาทิฐิมีไหม มีพ่อเป็นมิจฉาทิฐิมีแม่เป็นมิจฉาทิฐิมีเพื่อนเป็นมิจฉาทิฐิเกิดมาในครูอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิกืราว่าเดินไปกระทบบ่าคนมีมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็นเดินใกล้ยุงยุงก็กัดแมลงก็กวนเป็นต้นนี้แล้วเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฐิล่ะเขาจะไม่เกลี้ย ก, กล่อมเราบ้างหรือเพราะฉะนั้นท่านไปปฏิบัติผิดไม่ใช่น้อยชาติ